ก็เพราะว่าเวลาตายไปเนี่ยเวลาตายไปนี่เขาก็จะกอบโกยเอาบุญกุศลไปพบหน้าคนใจบุญศุนทานนี่เวลาตายไปแล้วเขาก็จะกอบโกยเอาบุญกุศลไปพบหน้าไปประโลกนั่นแหละส่วนคนตนหนีทีเนียวนี่เวลาตายก็ไปแต่ตัวสมบัติ ที่มีอยู่ก็ต้องแจกจ่ายให้คนอื่นไปนะแจกจ่ายให้ลูกหลานอันนี้เรียกว่าถึงเรียกว่าคนตอนอีทีเนี้นีเป็นผู้ใจบุญเพราะว่ามีอะไรทั้งหมดแกวแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติมีเงินกี่ล้านกี่แสนก็ต้องแจกจ่ายให้คนอื่นหมดคนที่ยังอยู่ก็ก็ปลืมกันใหญ่เลยนะได้ทรัพย์สมบัติมากมายนะฟังดูดีๆนะมันก็น่าคิดนะี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 ทางโลนี้ก็ถือว่าความเจริญก้าวหน้าก็คือมีวัตถุมีทรัพย์สมบัติเยอะๆแต่ทางทรรมตรงข้ามก็คือว่ายิ่งละยิ่งลดยิด่งเลิกทางโลนี่ต้องมีเยอะๆแต่ทางทรรมก็คือว่าต้องละต้องลดไปเรื่อยๆคนที่เจริญทางโลนี่จะมีทรัพสมบัติมากมาย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 อยู่ง่ายกินง่ายบางทีกินน้อยกว่าพวกเราอีกเพราะพวกนี้อยู่ลําบากแต่ว่าเรื่องความยึดถือในความคิดนี่แรงมากไปยึดถือเอาความคิดว่าเป็นตัวกูของกูแลวพวกนี้ก็จะมีความเกลียดความพยาบาทความโกรธมากบางทีโกรธศสาสนาอื่นน้อยกว่าคนในศาสนาเดียวกันแต่ว่านับถือต่างนิกาย แปลกเนียิ่งไกลมาเท่าไหร่ยิ่งเกลียดกันมาเท่านั้นอย่างคนนับถือลัทธินิกายสุดนีนี่เกลียดคนศาสนาอื่นอย่างน้อยกว่าเกลียดคนนับถือศาสนาชีอะนิกายชีอะมันฆ่ากันได้นห้เราต้องระวังเนี่ยการลดละนี่มันลดละเรื่องวัตถุแล้วไม่พอมันต้องลดละเรื่องของ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 ชั้นถือสินแปั้นประเสริฐกว่าคนถือศีนห้ันถือศินสิบันประเสริฐกว่าคนถือศิน8ปดชันถือสองร้อข้อประเสริฐกว่าคนที่ถือแค่ศินสิหรือว่าฉันเป็นพระป่าเคร่งวินัยฉันประเสริฐกว่าพระบ้านพระบ้านนี่ใส่รองเท้าจับเงินชั้นสองมือฉันชั้นมือเดียวประเสริฐกว่าอันนี้ต้องระวัง บางทีธรรมยุต์ก็คิดว่าตัวนี้ประเสริฐกว่ามหานิกายอันนี้มันเป็นเรื่องของมานะเข้ามามต้องระวังเองการสละนี่มันต้องสละจากหยาบไปหาละเอียดสละวัตถุอย่างเดียวไม่พอต้องสละให้มันเรื่องของตัวตนด้วยแต่ถ้าสละวัตถุถ้าสละให้ดีแล่วมันก็ช่วยลดละตัวตนไปได้เยอะเลยอย่างพระเบสันดรเนี่ยพระเบสันดรนนี่สละ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 เพื่อจะได้ขนสรรพสัตให้พ้นจากกองทุกแล้วคนไปเข้าใจว่าพระองค์สละรูปเมียเพราะเห็นแกบตัวอันนี้มีคนสมัยนี้เขาไปเข้าใจอย่างนั้นก็ก็เลยไม่ชอบพระไปสนดอนแต่จริงๆแล้วพระสปสนด น, นิสละสละของส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตซึ่งเป็นการสละที่ยากมาก และสังเกตนะเพราะเวสันดอนนี่เป็นพระชาสุดท้ายก่อนที่จะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถานี่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องสละเหมือนกันเหมือนกับว่าชาสุดท้ายนี่เป็นชา ท, ที่ทดสอบว่าถ้าสอบผ่านก็จะได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าการเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่ต้องสละสละขั้นอุกตตนะเริ่มตั้งแต่สละ ลูกเมียสละราชาบัลลังก์เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถานีทําไม่ได้ไม่สละลูกเมียไม่สละราชาสมบัติก็คงจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพะฉนั้น พ, พวกเรานี่ก็ต้องเจริญรอยตามเหมือนกันต้องรู้จักสละก็คือว่าต้องตั้งหลักต้องเป้าหมายว่าชีวิตเราเมื่อปฏิบัตินานเข้านานเข้าหรือว่าแก่ตัว